พินไพรวันค่อยๆใช้นิ้วเสื่อดันปีกหมวกที่รุปปิดหน้าลงเงยขึ้นช้าๆจนทุกคนมองเห็นดวงตาของเขาซึ่งไม่ได้ปิดลงเลยยังคงลืมสว่างอยู่เช่นนั้นด็กเตอร์ครับคุณเป็นนักวิเคราะห์จิตที่ลึกซึ้งและก็เฉียบคมมากนะครับผมเพิ่งจะเข้าใจตัวเองเอาเดี๋ยวนี้เองว่าในดวงจิตชวนลึกของผม ยังมีความจริงชังพวกคุณอยู่โดยที่ผมก็อาจจะไม่รู้ตัวอย่างที่คุณว่าเอาละผมจะถอดความรู้สึกที่ไม่ดีชนิดนี้ออกไปซะให้เด็ดขาดเลยสําหรับคําถามหารือคําหารือของพวกคุณเมื่อสักครู่เนี่ยผมขอตอบว่าชาวมรกตนครจะไม่หวงแหนอะไรที่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเขาสมมุติว่าถ้าเราไปพบระเบิดลูกนั้นเข้าแล้ว ทางฝ่ายคุณมีปัญญาที่จะกู้กลับคืนไปได้ยังไงพวกเขาก็คงไม่ขัดข้องหรอกครับแต่มันจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าเมื่อเราพบซากเครื่องตกละพบระเบิดล้วทางฝ่ายคุณจะสามารถใช้วิทยุติดต่อกระสุนบังคับการของฝ่ายคุณได้เพื่อขอให้ส่งกำลังทางอากาศล่วงล้าเข้าไปในดินแดนนั้นแล้วก็ลำเลียงระเบิดลูกนั้นกลับคืนไป เราก็คงต้องพยายามกระทาอย่างนั้นแหละระพินแต่จะได้ผลหรือไม่ยังไงยังไม่อาจจะบอกได้คิดยกมือขึ้นลูปขวัวซึ่งบัตรนี้ผมไม่ได้เรียนอย่างแต่แรกนะถ้าได้ก็เป็นสิ่งวิเศษมากอก็ขนเอาระเบิดลูกนั้นกลับไปแต่ถ้าการติดต่อยังไม่ได้ผลอย่างเดิมนะจะทํำยังไง เราไม่สามารถจะเกณฑ์ให้ชาว ม, มรกรนครช่วยกันเบแบกระเบิดลูกนั้นเดินทางออกไปส่งให้พวกนายยังโลกภายนอกได้แน่นอนอ่ะก็ทำไมมีทางจะเอากลับออกมาได้มันก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นั่นเอาเฉพาะชีวิตพวกเรากลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกอย่างเดียวนั่นก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำได้เซตสตาลีเป็นผู้ให้คาตอบ แล้วพวกคุณจะกลับไปรายงานให้หน่วยเหนือทราบว่ายังไงไม่ทราบหัวหน้าคณะอเมริกันยักไหล่นิดนึงถ่ายมือกว้างออกไปพร้อมกับเบะปากผมเองขนาดนี้ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันนะระพินว่าถ้าเราพบเครื่องตกพบระเบิดแล้วและตัวผมเองก็ไปถึงบ้านแล้วผมจะทํารายงานกับหน่วยเหนือว่ายังไงไม่เฉพาะผมหรอกแต่มันก็หมายถึงคิด เบลแลวก็คริสติน่าด้วยมันเป็นสิ่งยุ่งยากลาบากใจสาหรับพวกเรามากทีเดียวในการที่จะเปิดเผยความจริงออกไปทั้งหมดในเส้นทางเดินค้นหาของเราครั้งนี้บางทีบางทีพวกเราทั้งหมดสี่คนนี่อาจจะอยู่ในสภาพที่เป็นใบ้ ก, กันไปหมดคือไม่บอกความจริงอะไรสักอย่างนอกจากจะบอกหรือให้การรายงานอย่างเดียวว่าค้นหาแล้วไม่พบ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัยยังไงอะ่ะเราไม่มีคําอธิบายเพราะไม่สามารถจะอธิบายได้ครับผมว่าเลือกข้อหลังของคุณนั่นแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดพบเห็นแล้วก็ลืมมันใช่หมดเลยใครถามหรือสอบสวนยังไงก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่พบก็แล้วกันผมไม่คิดหรอกว่าหน่วยเหนือของคุณจะตั้งความหวังอะไรไว้มากนะัก ในการกำหนดให้พวกคุณออกจ้างพรานนาทางค้นหาทางพื้นดินแบบนี้ก็เป็นการทดลองทำดูในทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เท่านั้นแหละและป่านนี้โดยการขาดการติดต่อจากพวกคุณไม่นานพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกคุณตายกันไปหมดแล้วก็ได้ระพินพวกเราจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะ ที่ระเบิดลูกนั้นไปอยู่ในเขตแดนของมรกรนครมันไม่เกี่ยวกับการเสียดายทรัพย์สินของเราหรอกคุณแต่เราเป็นห่วงถึงเรื่องพิษภัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินนั้นได้ในภายหลังมันจะเท่ากับว่าเราไปทำลายโลกซีกส่วนนั้นซะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชหรือว่าสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเบนพูดโดยนาเสียงไม่สบายใจเป็นอย่างมาก เป็นการพูดอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีการเสีแซ่บเบียจำได้นะว่าผมได้เคยบอกกับพวกคุณทั้งหมดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าหรือไฮเทคของโลกภายนอกถ้ามันบังเอิญมาหลงพลัดเข้าไปอยู่ในดินแดนนั้นแล้วด้วยมหิติอำนาจพลังงานเหนือโลกซึ่งเข้ามาควบคุมไว้ระเบิดนิวเคลียสิตแมกกาซนของพวกคุณ ถ้าอยู่ในดินแดนรับแลแห่งนี้มันก็จะมีสภาพเป็นเพียงแค่ก้อนหินก้อนดินเพียงก้อนหนึ่งเท่านั้นไม่อาจจะแตกเปลือกกระจายระเหยกัมันตภาพรังสีใดๆออกมาได้ทั้งสิน้นหรือต่อให้ติดหัวรบติดชนวนแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะปะทุระเบิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้หมดห่วงไปได้เลยโอ้ยจะเป็นอย่างนั้นจริง พวกเราก็รู้สึกปลอดปลงใจมากเลยแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามีบาปผิดอยู่ในใจต่อไปแม้ว่าเราจะไม่ได้มันกลับคืนมันก็ตามคริสติน่ากล่าวพร้อมกระถอนใจยาวแล้วหล่อนก็หันมาบอกกับพักพวกทุกคนว่า <S <S เอา้าพวกเรา <S <S นอนกันได้แล้วมะอย่าเพิ่งรบกวนอะไรพรานนำทางของเราให้มากไปกว่านี้เลยรู้สึกว่าเขาก็อิโรยเต็มทีแล้วก็อยากจะพักเต็มทีแล้ว อะไรที่มันยังไม่ใช่ปัญหาก็อเอาไว้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ดีกว่าทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างที่พากันลุกขึ้นมานั่งพากันเอ็นตัวลงนอนอีกครั้งไม่มีใครเอ่ยคาใดขึ้นมาอีกเลยและชั่วไม่นานต่างก็หลับกันไปด้วยความอ่อนเปรียปร้ยเพลียแรงภายใต้ชะ ง, ง่อนหินเหนือทานน้ำอันเป็นที่หลบกาบังกระแสลมได้ เป็นอย่างดีตําแหน่งนั้นระพินผู้ไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยนอกจากพูดตอบโต้กระฝายนายจ้างของเขาในขณะที่ยังทอดกายนอนอยู่นั้นกลับกลายเป็นผู้ที่หลับไปหลังกลุ่มนายจ้างของเขาทุกคนและทันทีที่คล้อยเข้าสู่นิทรารมภาพนิมิตฝันต่างๆก็ประดังเข้ามาให้เห็นในลักษณะซับซ้อน ยุ่งหยิงไปหมดจนยากที่จะจำแน่ถูกเหมือนเลนภาพยนต์หลายๆเลนจากฟิล์มหลายๆมวลที่ฉายตรงเข้าไปบนแผ่นจอเดียวกันเป็นภาพของตนเองและดารินในสมัยอดีตชาติและปัจจุบันชาติที่ผ่านพ้นมาไม่นานนีนะักหลากหลายพฤติการเห็นหีบศพหินอ่อนสีชมพู อันมีรอยฝาหีบเบียงอ้าเพเยะออกภายในมหาสุสานเห็นภาพของจิตรางคณางป้าหอกลงมาปักอยู่ตรงเท้าเท้าเบื้องหน้าของตนและฉับพลันก็ชักบาสึกควบตะบึงพระจากไปก่อนที mind, ่จะยับยั้งได้ทันเห็นภาพของตนเองกำลังปฏิบัติหน้าที่พรานนำทางให้อเมริกันชุดนี้และอยู่คนเดียว ริมทานน้ำใกล้คำัำกำลังเก็บช่อปักษาสวรร์มาบรรจงร้อยรัดประสานกันเป็นมาลาประดับผมแล้วบรรจงสวมเป็นมงกุฎไพรลงไปบนโขดหินแทนความหมายของหัวใจรักที่มอบไว้ให้แก่แม่ดอกฟ้าผู้สูงศักดิ์อันไม่คิดหวังว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้พบเห็นกันอีกแล้ว และพันโขดหินนั้นก็กลายร่างมาเป็นดารินวราริธอย่างปัจจุบันทันด่วนยิ้มทางน้ําตาและโผร่างเข้ามาในอ้อมกอดของเขาอย่างปลาปลื้มปีติสุขเขาก็รัดร่างของหล่อนไว้แนบแน่นประหนึ่งจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันในภาวะตะลึงพึงเพล่ดระพินระพินระพินกระแสเสียงของหล่อน จางวานใสรัวเร็วระล่ำระลักคุณหญิงคุณหญิงครับระพินสุดฟ้าสิ้นแผ่นดินฉันจะขอติดตามเธอจนกว่าชีวิตจะดับจะตามหาอยู่เช่นนี้แหละสุดที่รักครับพระหนีผมมาทุกชาติแล้วนะครับหลอนเงยหน้าขึ้นจากอาการที่ซบ โน้มคอเขาลงมาจูบหัวเราะทั้งร้องไห้ระพินชาตินี้ฉันจะไม่หนีเธออีกแล้วแต่จะตามได้ยินไหมว่าจะตามไม่ว่าเธอจะจากไปอยู่สุดขอบฟ้าป่าหิมะพานที่ไหนยกเว้นประการเดียวถ้าเธอทรยศต่อความรักของฉันเมื่อนั้นเมื่อนั้น คอยเทพเจ้าจะมาเอาดวงวิญญาณของฉันไปเสียจิตรางคณางจิตรางคณางลนันสันศีรษะจนผมกระจายไม่เอาไม่เอาฉันจะเป็นดารินไม่ใช่จิตรางคณางพระจิตรางคณาลนะอาพัพนะัก มีอคคณิรุธมาตลอดเวลานะแต่ดารินในชาตินี้จะเป็นฝ่ายตามระพินบ้างละ่ะตาไม่เห็นประจักษ์กันทีเดียวว่าหัวใจดวงนี้ยังมั่นคงต่อดารินอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามีคนอื่นเข้าไปแทรกซ้อนอยู่แล้วนิ้วเรียวนั้นจิ้มที่ซวงอกตำแหน่งหัวใจของเขา บอกมาสิบอกมายังเป็นระพินของฉันอยู่หรือเปล่าผมยังเป็นระพินของคุณหญิงอยู่เสมอไปทุกชาติทุกภ พ, กพไม่ว่าจะเป็นอัคนิรุธเป็นระพินหรือจะเป็นใครอีกต่อไปครับถ้างั้นถ้างั้นสัญญาสิ ว่าเราจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแล้วครับคุณหญิงผมจะขอสัญญาด้วยชีวิตครับสัญญาด้วยชีวิตครับหน้ญญาอิเบลตื่นขึ้นพร้อมกันโดยเสียงเรียกหนักๆของด็อเตอร์สเตลลีหัวหน้าคณะรลอยทำให้เชิดบุตรและคีตลืมตาผงกหัวขึ้นมาด้วย ขณะนั้นเป็นเวลาสี่นาฬิกา30นาทีพอดีมีไรเดอคะอาจารย์สองสาวร้องถามขึ้นพร้อมกันเอาช่วยกันหน่อยเร็วรพินจับสันไม่ได้สติไอีกแล้วตัวร้อนยังก็ไฟเลยคริสติน่ากับเบลเพ็นลุกพรวดออกไปจากโปงผ้าห่มพร้อมกัน หนึ่งร้อยเก้าสิบสองนบัดนี้คณะของคุณชายเชษฐาและพวกลูกหาบทั้งหมดได้ยืนอยู่บนส่วนหนึ่งอันเกิบจะเป็นกึ่งกลางของถนนสายใหญ่ที่ทอดข้ามไปในระหว่างขุนเขาตระงงานเงื้อมเหนือเมฆแล้วภายหลังจากตายขึ้นมาตามแก่งแง่โคดหินยอดสุดท้ายตั้งแต่เช้า จูบจนเวลาบ่าย <c oughs> ลิปลิปลงไปเบื้องล่างบนเนินเขาที่ต่ำลงไปวายาเจ้าครองนครลิงนีลาและไพรพลลิงดำทั้งหลายประมาณห้าหกสิบตนยืนอยู่ในระหว่างสายหมอกขาวมัวที่พัดผ่านพวกนั้นกำลังโบกมือให้อยู่ย้อยยอ ย, อยบางก็กระโดดโลดเต้น 6. ขมเมรตีลังกาแสดงท่าปิติยินดีหรือมิฉะนั้นก็เป็นการอวยใยให้พรก่อนจากภายหลังจากได้ร่วมเดินทางมาส่งคณะทั้งหมดให้จนถึงที่โดยใช้เวลาเพียงไม่เกิน5วันนับตั้งแต่คณะทั้งหมดได้ออกจากภูเขานิลการมาโดยพักอยู่ในนครลิงเพียงแค่ชั่ววันและคืนเดียว ทุกคนยืนสูตรลมหายใจลึกอยู่บนขอบไหล่ถนนและจับลงไปเบื้องล่างพร้อมทั้งโบกมือตอกดารินวราฤทธิ์ทรงจูบลงไปให้วายาและลิงดำอันเป็นไพร่พลของนคร น, นิลการเหล่านั้นขอบใจมากวายาขอบใจมากเราจะพบกันอีก ถ้าเราผ่านภูเขานิลการหลอนตะโกนก้องไปทั้งหุบเขาบริเวณนั้นอาการโบกมือปัดไปทางทิศเหนือช้าๆเป็นจังหวะของวายาที่มองเห็นยืนทำ ง, งานสูงเด่นอยู่กลางไพรพลของเขาเหมือนจะเป็นการเตือนให้คณะของดารินรีบเคลื่อนตัวไปตามถนนทันทีโดยไม่ให้ต้องเสียเวลาไปอีกเลย แม้แต่นิดเดียวทั้งหมดยิ้มแยม้มมีสีหน้าเบิกบานและเต็มไปได้วยความสมหวังบุกมือตอบกวายาและลิงพวกนั้นอีกอึดใจใหญ่อดีตพรานชดประชากรหรือคุณชายอนุชาก็หันมาทำสัญญาณกับฝ่ายตนทุกคนอันรวมทั้งสิ้นสิบหกชีวิตพร้อมกระ บ, บอกมาอย่างตึงเต้นยินดีว่าเอาเราก็ออกเดินทางต่อไปได้แล้วล่ะครับ ผมกะวว่าวก่อนค่ำนี้เราอาจจะพบนิชนบทนิคมคามของพวกที่อยู่แถบปลายแดนทางด้านนี้บ้างแน่นอนว่ายานำเรามาส่งถึงเกือบส่วนกลางของถนนประสิวะห่างจากต้นทางปลายสุดมากทีเดียวเท่ากับเป็นการย่นระยะทางให้พวกเราได้มากที่สุดด้วยเชษฐาชยันนานอินและขยิ่งอันเคยเดินผ่านเส้นทางสายนี้มาก่อนแล้ว ขณะ น, นี้พากันกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆ อ, อย่างปิติดใจเหลือที่จะกล่าวได้มันเป็นจริงอย่างที่อนุชาบอกทุกอย่างตำแหน่งที่ไต่ทางขึ้นมาเหยียบยืนกันอยู่นี้จับได้ว่าเป็นบริเวณเกือบจะกึ่งกลางของถนนพระศิวะอันยาวเหยียดแตกต่างกว่าครั้งที่มากราพินในครั้งนั้นซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาจากถนนปลายถนนด้านสุด ห่างไกลออกไปอีกชนิดที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าก็จะกินเวลาเป็นวันวันทีเดียวภูมิประเทศรอบด้านฝั่งตรงข้ามกับที่ปีนกันขึ้นมาเป็นป่าละเมาะสลับไปกระทุ่งหญ้าแล้วก็แหลลิบลิล่วไกลออกไปก็ดูคล้ายๆกับจะเป็นพวกไร่ซากของพวกเกษตรกรที่ย้ายถิ่นรกร้างไปแล้วมันกลายเป็นโลกอีกโลกหนึ่ง หรืออาณาจาักรเขตขันตศีมาของประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยแยกตัวต่างหากออกมาจากสภาพป่าเขาลำนาวไพรที่ทั้งหมดบุกบั่นกันมาแล้วเป็นตรงข้ามทีเดียวพวกลูกหาบทั้งสิบคนอันยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนพากันเบิกตากว้างเลี้ยวไปรอบๆเ้วยออาการงุนงงเลิกหลักกันไปหมดนั้นอินกัขินนะ่ะยิ้มราชัยยันนะพึมพำออกมาว่าวิเศษ วิเศษจริงๆ้าดคิดไปไม่ถึงเลยให้มันได้อย่างงี้สิสหายววายาเอ้ยพวกเล่นหาทางส่งขึ้นมาจนเกือบจะถึงตัวเมืองเลยนี่นแกพอจะจำบริเวณนี้ได้ไหมชยยันเชถาถามมายิ้มยิ้มอย่างเบิกบานสหายของเขาพยายามพินิษไปรอบด้านอมืมันก็คุ้นคุ้นสายตาเลยเกินนะแต่ก็ยังนึกไม่ออกอะ ก็ลองดูที่เนินหลังเต่าลูกโน้นดิอดีตท่านทูตทหารบกชี้มือไปยังเนินลูกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในวงแวดล้อมของหมู่ไม้หมู่บ้านของพวกขบฏกู้ชาติของสุกรีที่รหัสสยะยกพลเข้ามาขยี้ในคราวนั้นยังไงตอนนั้นพวกเราทั้งหมดถูกมันคุมตัวเข้ามาจากหัวถนนกลายเป็นเฉลยของพวกมันแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์เข้าด้วยเออจริงสิ จริงด้วยจริงด้วยจําได้แล้วถ้างั้นถ้าเราเดินทางด้วยมา้าจากบริเวณนี้จนถึงเมืองก็ไม่น่าจะใช้เวลาเกินกว่าสองสามวันเท่านั้นอะ่ะมันใกล้ตัวเมืองเข้ามามากที่สุดแล้วนาช ย, ยันร้องออกมาถ้างั้นเราตัดจากถนนนี่ลงทุ่งไปที่เนินลูกนั้นก่อนดีกว่าเราอาจจะพบบ้านเรือนของชาวชนบทที่มาทำไร่ทํานาอยู่แถวนี้ ถ้าพบชาวมรกรนครแถบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินให้ลำบากอีกแล้วก็ให้พวกเขาไปส่งข่าวให้จักราราชรู้โดยเราก็รอกันอยู่ที่เนี่ยเชื่อว่าไงไงจักรราชก็คงส่งกองทหารและพานะมารับเราเองนะอนุชาบอกมาอย่างเต็มไปได้วยความหวังแล้วก้าวออกนำหน้าไปทันทีเคียงคู่กันนันอิน ทุกคนพากันเดินตัดลงทุ่งหญ้าอันสลับไปกระป่าละเมะที่เห็นอยู่บ่ายหน้าเข้าหาเนินติเตี้ยที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักอย่างกระปรี้กระเปร่าระหว่างที่พากันเดินตัดไหลถนนลงสู่ทุ่งหญ้าสลับป่าละเมาะนั้นเทถ่ายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นสำรวจในทันทีและสะกิดแขนน้องสาวยื่นนาฬิกาเดินป่าที่ติดอยู่กับข้อมือไปให้ดูน้อย เราอยู่ในดินแดนของแง่ทรายแน่นอนแล้วล่ะทุกอย่างเหมือนกับที่ตอนที่เราผ่านมาครั้งก่อนไม่ผิดอะนาฬิกาหยุดเดินเข็มทิศไม่ยอมทํางานละมันพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วเกินดารินตาเป็นประกายเจิดจรัสมันดูเหมือนจะเป็นความตื่นเต้นปิติสุขสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาหล่อนตรวจดูนาฬิกาข้อมือของหล่อนบ้าง ซึ่งมันก็ให้ผลตรงกันกับของพี่ชายทุกอย่างเข็มวินาทีหยุดกระดิกเข็มทิศที่ติดอยู่ในเรือนเดียวกันและเข็มทิศเดินป่าที่แยกต่างหากออกไปซึ่งหล่อนควักออกมาจากกระเป๋าเข็มขัดขนาดนี้มีสภาพเหมือนเข็มจะถูกล็อกไม่ว่าจะหมุนทิศทางอย่างใดปลายเข็มเหนือที่แต้มสัญญาณไว้ก็ไม่หมุนกระดิกอีกเลย ราชสกุลสาวตะโกนบอกพี่ชายกลางและชยันให้ตรวจสอบนาฬิกาและเข็มทิศประจำตัวด้วยทั้งสองซึ่งเดินเคียงคู่กันไปเบื้องหน้าต่างก้มลงมองนาฬิกาแล้วก็หันมายิ้มให้ชูมือเป็นสัญญาณตัววีอันแสดงถึงโชคชัยกลับไมาเห็นไม่ผิดพลาดแน่นอนแล้วละ่ะที่นี่คือมรกรนคร วายาและพวกลิงดำนำเรามาส่งได้ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรจะต้องสงสัยเลยเสียงอนุชาเสียงอนุชาตะโกนบอกมาเอาทดสอบวิทยุมือถือสิกลางยังใช้การได้ไปะมันไม่ควรจะใช้ได้หรอกถ้าหากเรา ย, ยังยืนยันกันอยู่เนี่ยถ้าเรายืนยันว่าที่นี่คืออาณาจักรมรกรนครจริงอะอนุชาตอบในทันที พร้อมกันก็ปลดวิทยุจากเข็มขัดขึ้นมากดคีย์ทดลองส่งเสียงพูดลงไปเบาๆเงียบสนิทไม่ผิดอะไรกับกลักไฟเบอร์หรือกลักพลาสติกธรรมดาอันนึงเท่านั้นไม่มีเสียงออกอากาศไปเข้าเครื่องใดที่เปิดเตรียมรับฟังอยู่ในขนาดนี้เลยและสัญญาณอันเป็นลักษณะไข่ปลาอันแสดงระดับของสมรรถนะการรับส่งก็ไม่ปรากฏให้เห็น แสงไฟบนหน้าปัดก็ไม่สว่างแม้จะกดปุ่มสวิตช์ลักษณะของมันก็คือแบตเตอรี่หยุดการทำงานอย่างสนิท <c oughs> กลุ่มพี่ๆและเพื่อนชายร้องบอกกันด้วยความดีใจไม่มีใครแสดงอาการวิตกหวงใยในเรื่องนาฬิกาไม่เดินเข็มทิศและวิทยุไม่ทำงานเลยตรงข้ามกลับเป็นความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งในปรากฏการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างเด่นชัด ถึงผลสำเร็จครั้งนี้ดารินพนมมือขึ้นบนสวงอกพื้นพังว่ากราบขอบพระคุณมหาฤาษีโกนทัญญะขอพระคุณต่อเทพพด า, าฟ้าดินและทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เมตตาต่อลูกในครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังเกื้อหนุนจุนเจือความมานะพยายามของลูกอยู่ทั้งทั้งที่แต่แรกเริ่มนั้นมันมืดมนอันตรธานไปหมด มองไม่เห็นความหวังสิ่งใดเลยแล้วหล่อนก็คว้าข้อมือของพี่ชายใหญ่ที่เดินเคียงอยู่ข้างๆออกเร่งฝีเท้าเกือบจะเป็นวิ่งตามหลังไปจนทันอนุชาและชายยันผู้เดินอย่างรีบรุนอยู่เบื้องหน้าพล่างร้องเร่งพวกลูกหาให้พากันกระชั้นชิดกันมาสำหรับนั้นอินและขยินนั้นนำพรวดพรวดไปเบื้องหน้าย่างแข็งขัน เต็มไปด้วยกำลังใจทุกคนเห็นทั้งคู่ก้มลงมองตามพื้นดินที่ผ่านไปแล้วหนานอินก็ตะโกนบอกมาว่ามีรอยเท้าวัวควายแล้วก็ดินเปรอะอยู่แถวนี้ด้วยนาะยเราใกล้มู่บ้านคนก้าไปแล้วแถวนี้ต้องมีมู่บ้านแน่เลยเมื่อทั้งหมดตามเข้ามาถึงบริเวณ น, นั้น <S <S ก็ปรากฏเป็นจริงอย่างที่ครูพรานผู้เฒ่าบอกไว้ บนพื้นดินที่ปราศจาียกยากขึ้นหลายต่อหลายแหง่งมีรอยกีบเท้าของสัตว์ประเภทแพะแกะบัวควายเดินเหยียบย่ำอยู่สับสนไปหมดมันเป็นลักษณะของปศุสัตว์เลี้ยงชนิดเป็นฝูงที่ต้อนผ่านทุ่งมากกว่าที่จะเป็นรอยเท้าของสัตว์ป่านอกจากนั้นยังมีรอยเท้าของม้าอีกด้วยเป็นการดีที่สุด ถ้าหากเราได้พบกับชาวไร่าชาวนาหรือพวกเลี้ยงปศุสัตว์ชาวมรกรนครนซะก่อนมันจะช่วยการติดต่อไปถึงเมืองหลวงสะดวกสบายขึ้นอีกมากทีเดียวเชื่อถาเอ่ยขึ้นขณะที่มองดูร่องรอยของชุมชนที่มนุษย์ผ่านไปมาอันเห็นชัดอยู่นั้นอย่างพยายามพิเคราะห์หวังว่าพวกนั้นคงจะจำเราได้นะแล้วก็คงจะต้อนรับด้ดีนะไม่จะคอยดักซุ่มโจมตีด้วยอาวุธเหมือนยุคที่มากระพินยุคนั้นะ เชยันเอ่ยแทกมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆไม่จริงจังอะไรนักในประโยคที่พูดนอกจากจะพูดเล่นก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะในไงก็อย่าเพิ่งวางใจอะไรนักขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่ามรากรกนคร อ, อยู่กันด้วยสันติสุขเหมือนเมื่อคราวที่เราจากไปครั้งนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีปฏิวัติ ร, รัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรใหม่ผิดไปจากจักรราช พวกเขาอาจจะไม่ต้อนรับเราอย่างมิตรก็ได้เชษฐาบอกมายิ้มยิ้มไม่มีทางอะ่ะดารินยืนยันด้วยเสียงมั่นคงหนักแน่นความหวังของหล่อนเปี่ยมล้นที่สุดในยามนี้จั ก, กรราละราชวงศ์สุริยเทพของเขาจะต้องปกครองแผ่นดินนี้ตลอดไปภายหลังจากที่เราได้เข้ามาช่วยกอบกู้ราชบัลลังก์ไว้ในครั้งนั้นแล้ว น้อยอยากจะรู้เหลือเกินว่าขณะ น, นี้แงซายริจาการาดพอจะระแค่ระคายบ้างหรือยังว่าเราได้เหยียบย่างเข้ามาถึงดินแดนของเขาแล้วสมกับที่เขาได้พยายามเรียกร้องน้อยอยู่ตลอดเวลาในห้วงฝันของน้อยแล้วและที่สำคัญที่สุดหล่อนชะงักนิ่งไปนิดหนึ่งดวงตารี่ลงเสียงที่กล่าวต่อไปเบาลง เหมือนจะเป็นการรำพึงกับตนเองและที่สำคัญที่สุดระพินกับคณะของเขาได้เหยียบขึ้นถึงแผ่นดินนี้แล้วหรือยั ง, ย ง, ยงเขาล่วงหน้ามาถึงก่อนแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงตอนนี้ใครจะบอกได้บ้า ง, ก, างกลุ่มพี่ๆทุกคนพากันชงนักนิ่งไป ความปิีติยินดีที่ได้เหยียบย่างขึ้นมาถึงถนนพระศิวะทำให้ทุกคนในคณะดูเหมือนจะลืมระพินไพรวันไปซะชั่วขณะหนึง่ทงทั้งๆที่บุรุษผู้นี้แหละคือต้นเหตุที่ทุกคนบุกบันกันมาจนถึงที่นี่บัรนี้ฝ่ายติดตามได้บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางแล้วอย่างสวัสดิภาพภายหลังจากทุ่มเทบากบันกันมาอย่างยอมถวายชีวิต แต่ฝ่ายที่ถูกติดตามอันเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องบายหน้ามายังจุดหมายเดียวกันนั้นเล่าได้มาถึงแล้วหรือยังและขณะนี้อยู่ที่ไหนน้อยคำตอบก็คงจะมีเร็วๆนี้แหละขอให้เราได้พบชาวไร่าชาวนาหรือชาวชนบทของมรกรกนครเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะรู้ข่าวของรพินทันที พี่ชายกลางบอกมาอย่างไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรนะักขณะที่ก้าวเท้าเดินเนิบเนิบไปเบื้องหน้าโดยไม่หยุดพร้อมกันก็โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนคืบหน้าต่อไปยังแนวละเมอะไม้ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพวกเรานี่ตัดทางขึ้นมาถึงถนนพระศิวะเร็วมากนะโดยการนำของวายานะ่ะเชิดทากล่าวอย่างใครควรวญ เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันว่าระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายระพินใครจะเหยียบขึ้นถนนพระศิวะกันก่อนแม้ว่าเขาจะล่วงหน้ามาก่อนเราก็ตามในการจะเริ่มต้นจากหัวถนนเดินพยายามหาทางขึ้นที่เนินพระจันทร์นะมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะถ้ามาผิดฤดูกาลแต่พวกเรานะี่ยมาโดยความเมตตาอนุเคราะห์ของมหาราษีโกนธัญญะที่กําหนดให้วายาและลิงพวกนั้นมาส่ง เราก็น่าจะย่นระยะทางได้มากกว่าเขาล่ะเห อ, อนไหมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต้องมาขบคิดในเปลืองสมองในตอนนี้หรอกอนุชาว่ขาขณะนี้ดูเขาจะปลอดโปร่งใจผิดไปจักทุกครั้งถ้าเราไปถึงก่อนเราก็ไปดักรอเขาอยู่ในเมืองหรือถ้าเขาถึงก่อนหน้าเราหากเราไปถึงเมืองก็ได้พบเองแหละแล้วมันก็ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนวันเวลาการเหยียบถึงที่นี่ออกไปมากนัก ระหว่างฝ่ายเขากับฝ่ายเราโดยคำนวณจากระยะเวลาอวดไล่หลังกันมานํามาเปรียบเทียบกับเส้นทางซึ่งมีการหักลบชดเชยกันเราก็ได้พิสูจน์กันออกไปอย่างแน่นอนสักทีละในเร็วๆนี้วรพินพาพวกนั้นมุ่งหน้ามาที่นี่จริงอย่างที่เราคาดคะเนหรือเปล่าวันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอีกแล้วขอให้ทุกคนทําใจให้สบายเราสําเร็จในการออกติดตามเข้าถึง เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกแค่จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือการได้พบป ะ, ะเผชิญหน้ากันเท่านั้นถ้าไม่พบกันบนถนนพระศิวะสายนี้เหนะ็นไไปในเมืองมรกรนะครก็ต้องได้เจอกันลนะดารินรอบถอนใจเก็บซ่อนความปริวิตกเร้นลึกเอาไว้ภายในคนเดียว <c oughs> ใช่หล่อนรำพึงกับตัวเอง ขณะนี้คณะของหล่อนเหยียบขึ้นถึงดินแดนมรกตนะครแล้วมันก็จริงตามที่พี่ชายกลางพูดถ้ารพินมุ่งหน้ามาที่นี่จริงและกำลังไต่ทางขึ้นสู่ถนนพระศิวะไม่ว่าจะเริ่มต้นที่เนินพระจันทร์หรือไปเริ่มต้นเอาที่จุดใดจุดหนึ่งตามแต่จะเห็นสมควรของเขาทั้งสองฝ่ายก็อาจจะได้พบเห็นตามทันกัน บนถนนสายที่จะมุ่งเข้าสู่มหาอาณาจักรของจักรราตนี่แหละหรือถ้าฝ่ายของหล่อนซึ่งทําการเดินอย่างเร่งด่วนรีบรุดเข้าไปถึงเมืองมรกรนครแล้วพบฝ่ายของระพินไปถึงก่อนมันก็จะยิ่งวิเศษสุดแต่ถ้าฝ่ายหล่อนไปถึงที่นั่นเฝ้ารอคอยอยู่วันแล้ววันเล่าฝ่ายของเขาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวระพินเอง ก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นเช็ตีล่ะหล่อนจะทำยังไงดีในการไปกราบนมัส ก, การมหารฤาษีกนธัญะผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขานิลการเพื่อขอพรจากท่านท่านก็ไม่ได้ให้ความสว่างใดๆแก่หล่อนหรือคณะทั้งหมดเลยว่าถึงแม้ว่ามาถึงถนนพระศิวะหรือถึงมรกรนครนแล้วจะได้พบกับประพินหรือไม่ ท่านเพียงแต่อำนวยชัยให้พรและชี้แนะทางสะดวกให้โดยให้วายากับพรายพลลิงแห่งภูเขานิลการนำตัดทางที่ถูกต้องและสะดวกที่สุดเพื่อมาทรงให้ขึ้นถึงถนนพระศิวะเท่านั้นอยากจะได้พบเห็นผู้คนชาวประชากรของมรกรนครสักคนในขณะนี้ ก็ปรากฏว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันช่างเงียบเชียบเสหลือเกินมองไม่เห็นใครเลยสักคนนอกจากความเปล่าเปลียวอ้างว้างทั้งๆ ท, ที่บริเวณรอบด้านมันก็มีสัญญาณบ่งบอกให้ทราบถึงว่ามันไม่น่าจะห่างจากแหล่งชุมชนออกไปมากนะักคณะทั้งสิบหกคนขนาดนี้กำลังเดินอยู่ในทุ่ง มีลักษณะต่ำลึกลงไปเหมือนแอนกกระทะล้อมรอบด้านกลายเป็นขอบเนินสูงทิวทัศน์จึงไม่อาจมองเห็นไปได้ไกลนะักยกเว้นป่าละเมาะที่ต่างกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปซึ่งครูพานนานอินตั้งข้อสังเกตว่าหมอกขาวบางที่เห็นลอยกลุ่นอยู่เหนือยอดไม้ลึกเข้าไปนั่นน่าจะเกิดจากควันไฟ ไม่ต้องห่วงรอกนายประเดี๋ยวก็คงพบคนแล้วคงต้องพบก่อนพักคำวันนี้แหละเสียงจะรองบอกมาพร้อมทั้งชี้มือให้ดูกลุ่มหมอกที่มีลักษณะเหมือนควันไฟนั้นนะักบัตรนั้นเองทุกคนก็ชะ ง, งักกึกอยู่กับที่เงียโโสดพร้อมกันหมดเป็นเสียงสัมส่มสำเนียงที่สดับครั้งแรก อันแววเข้ามากระทบเหมือนจะเป็นอุปทานไปมันเป็นเสียงของมา้าเสียงสะบัดขนคอลอยตามลมมาแต่ไกลครั้งแรกก็มีอยู่เสียงเดียวแล้วอึ้ใจต่อมาก็เหมือนจะดังแซ่อึงขึ้นหลายเสียงประสานกันต่างฝ่ายต่างหันมองหนะ้ากันเองอยู่ไปมาแล้วยังไม่ทันจะเอ่ยคำใดแก่กันนั้น ก็พลันมีเสียงฝีเท้ามาในลักษณะควบขยกเคลื่อนใกล้เข้ามารอบบริเวณเนินสูงขึ้นไปเกินกว่าที่ระดับสายตาจะมองไปได้ไกลนั้นครั้งแรกมันมาทางด้านขวามือที่ดวงตะวันอ่อนแสงกําลังฉายอยู่ในขณะนั้นก่อนพอต่างหันไปโดยไม่ได้นัด ก, ก็สำเนียกได้อีกว่าทางด้านซ้ายมันก็ควบสนันจนแผ่นดินสะเทือนเข้ามาเช่นกัน กลายเป็นบีบเข้ามาทั้งสองข้างยังมองไม่เห็นอะไรอยู่เช่นนั้นเพราะต่างอยู่ในที่ลุ่มตำ่ำคงเห็นแต่ผงคลีที่ลอยตลบคลุ้งขึ้นมารอบทิศทางครั้งแรกมันมาทางด้านขวามือที่ดวงตะวันอ่อนแสงกำลังฉายอยู่ในขณะนั้นก่อนเพราะต่างหันไปโดยไม่ได้นัดก็สำเนียกได้อีกว่าทางด้านซ้าย มันก็ควบสนันจนแผ่นดินสะเทือนเข้ามาเช่นกันกลายเป็นบีบเข้ามาทั้งสองข้างยังมองไม่เห็นอะไรอยู่เช่นนั้นเพราะต่างอยู่ในที่ลุ่มต่าคงเห็นแต่ผงครีที่ลอยตลบคลุงขึ้นมารอบทิศทางนายกองทัพมา้ากำลังบีบเข้ามาทั้งสองด้านเลยเสียงนั้นอินตะโกนลั่นออกมาสาหรับขยินนั้นก็ยือามือป้องหูอยู่ เสียงดังชัดเจนสะเทือนเลื่อนลั่นของฝีเท้ามานับ ร, ร้อยร้อยตัวขนาดนี้ไม่จำเป็นที่มันจะต้องเอาหูก้มลงไปฟังกระแผ่นดินให้เสียเวลาเพราะขนาดสดประสาท ธ, ธรรมดาก็สามารถจะจับได้ระหว่างที่อนุชาชายันเชษฐาและดารินพากันยืนตัวแข็งสะกดกลั้นลมหายใจกันอยู่นั้นพวกลูกห่บทั้งหลาย แสดงอาการตื่นตกใจหน้าเลิกลากกันไปหมดทิ้งของที่แบกหามอยู่ลงกับพื้นคว้าปืนลูกซองที่สะพายไหลยอยู่ออกมาถือไว้และพากันวิ่งเข้ามาออรวมกลุ่มกันอยู่กับคณะเจ้านายทุกคนสวรรค์ทรงโปรดกองกำลังทหารมาจริงๆด้วยดูเหมือนจะบ่ายล้อมเข้ามาทุกด้านเลยโอ้ยหวังว่าคงไม่ใช่กองทัพม้าของราษยะหรือสิงหรา ในยุคทรราชคลองเมืองนะเว้ยเสียงชั ย, ยันหลุดปากตะโกนออกมาพร้อมกันก็คว้าเอ9ที่สะพายอยู่บนไหลของนายชวนขึ้นมาถือไว้ในมือแต่เชษฐาดารินและอนุชายัางคงยืนนิ่งเบิกตาโพลงอยู่เช่นนั้นพากันหันไปรอบๆซึ่งแลเห็นกรุงผงคลีลอยเป็นหมอกควันสูงขึ้นมารอบด้านตามแนวขอบเนินที่รายล้อมอยู่ กองทัพมาจริงๆแหละน้อยเสียมันชัดเจนเหลือเกินแล้วตอนนี้ก็โอบล้อมเราไว้หมดทุกด้านแล้วเชษฐถากระซิบกับน้องสาวแผ่วเบาดารินบัดนี้เบิกตาขมห็งพยายามหันไปสำรวจขอบเนินรอบด้านซึ่งยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากฝุ่นตลบอบอวนหมดทุกด้านถ้าเป็นกองทัพมาก็แปลว่าทาหาร แล้วถ้าทหารก็ย่อมหมายถึงทหารของจักรราชซึ่งกําลังเคลื่อนตรงมาที่เราทั้งหมดในขณะนี้มันก็ควรจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับพวกเรามากกว่านิมิตร้ายไม่ใช่เหรอคะพี่พี่ใหญ่หล่อนกระซิบต่อเอาละนายเยวก็รู้อนุชาบอกมาเสียงหนักๆปลดเอ็มเ็ดเก้ากระบอกหนึ่งที่สะพายไว้กับไหล่อยู่ตลอดเวลาลงมาหักลากล้อง ตรวจ ด, ดูกระสุนระเบิดขนาด40สมมอย่างคนไม่ประมาทต่อทุกสถานการณ์ชั่วไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองภาพที่มาของเสียงฝีเท้าอันควบสะเทือนแผ่นดินก็พลันปรากฏขึ้นระยะห่างออกไปเพียงไม่เกิน200เมตรทางด้านตะวันออกบัดนี้ตลอดทั้งแนวเนินที่ต่างจับตารอคอยดูอยู่เงาของม้าสึก และผู้ที่บังคับขี่อยู่บนหลังของมันทูเป็นทิวขึ้นมาตามลำดับแล้วอยู่จืนเรียงรายอยู่บนนั้นสพบฟืพร้อมตลอดแนวอันกว้างใหญ่ย า, ย, ยาวเหยียดนับจำนวนไม่ถ้วนแสงตะวันส่องกระทบปลายหอกสั้นที่ถือชูอยู่ในมือเป็นประกายวูบวาบ ว, วาววววไปหมดกองทหารมาในชุดเต็มอัตราศึกเหล่านั้น เมื่อเคลื่อนเร็วอย่างจู่โจมมาถึงขอบเนินทางด้านนั้นแล้วก็พากันหยุดนิ่งอยู่เหมือนจะจัดแถวเป็นขบวนโดยยังไม่ได้เคลื่อนลงมาอย่างใดทั้งสิ้นต่างฝ่ายต่างมองเห็นกันในระยะห่างพอสมควรขณะจิตที่ฝ่ายล่วงล้ำแดนกำลังยืนตะลึงแลอยู่นั้นขยินก็ชี้มือโบยวายออกมาว่าโน่นนายโผล่มาทางด้านโน่นเป็นรย ทุกคนหันกลับไปทางด้านตรงข้างสภาพเดียวกันกับที่เห็นทางด้านตะวันออกไม่ผิดกันไปเลยกองทหารมาแห่งมนกฎคลครโผล่ขึ้นมายังอีกด้านหนึ่งเต็มขอบเนินด้านที่ตะวันตกกินแนวอาณาบริเวณรอบด้านแทบจะเรียกว่าล้อมไว้เกือบจะเป็นวงกลมคงเหลือพื้นที่ว่างไวเฉพาะด้านหน้าใกล้ อันเป็นบริเวณป่าละเมาะเท่านั้นทุกคนเฉยไว้ขออยู่ในอาการสงบอนุชาร้องบอกเสียงต่ำๆไปยังพักพวกทั้งหมดพร้อมกันตัวเองก็ก้าวช้าๆแยกออกจากกลุ่มที่เข้ามายืนออรวมกันอยู่ไปปรากฏกายโดดเด่นอยู่เบื้องหนะ้าพลางกระตุกผ้าพันคอออกมา ผูกติดกับส่วนปลายของลํากล้องอวบใหญ่ของ M7-9 แล้วยกชูขึ้นโบกไปมาช้าๆอาการของเขาเป็นการแสดงความทักทายเยี่ยงมิดกับกองทหารที่โผล่มาให้เห็นเหล่านั้นและเมื่อนั้นเองดารินเชษฐาและชยันก็ก้าวออกไปยืนเคียงข้างต่างโบกมือกันอยู่ไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินหลอนป้องปากตะโกนสุดเสียงโดยไม่คำนึงถึงว่ากระแสเสียงของหลอนจะได้ยินไปถึงกองทหารเหล่านั้นหรือไม่เงีอยซเงีอยซเงีอยซอย เสียงของราชสกุลสาวก้องกังวานไปไกลท่ามกลางความเงียบที่เกิดขึ้นช่วขณะนั้นช่วขณะหนึ่งต่อมาทุกคนก็มองเห็นมาศนักจำนวนได้เจ็ดมาจากกลุ่มที่ยืนเรียงรายแน่นขนาดอยู่บนเนินด้านตะวันออกขวบเหาะลงมาจากเนินตรงเข้ามาทันที ในขณะที่ม้าอื่นๆยังคงยืนสงบนิ่งรายล้อมอยู่เช่นนั้นทั้งเจ็ดม้าดาหน้าเข้ามาในรูปแถวหน้ากระดานควบใกล้เข้ามาตามลำดับตามลำดับในอาการที่ไม่ได้ห่อตะบึงเร่งด่วนอะไรนะักใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ โดยปล่อยให้กองทัพที่โอเปนไปีกว้ทั้งสองด้านสงบนิ่งยืนเฉยอยู่ในอาการเดิมมีแต่เพียงปลายหอกสั้นที่ถืออยู่ในมือเท่านั้นที่ยกชูขึ้นสูงแนวนิ่งราวกับภาพปัน้นทั้งเจ็ดมาชะลอฝีเท้าที่ควบเข้ามาให้ช้าลงตามลำดับเมื่อเหลือระยะอีกประมาณสามสิบเมตร ก็จะถึงตูวบัดนี้ต่างฝ่ายต่างมองเห็นกันได้ธนาัตาที่สุดแล้วท่ามกลางแสงสว่างของยามบ่ายมาดำสนิทพ่วงผีสูงใหญ่ที่ควบอยู่ตรงกลางผู้ขับขี่อยู่บนหลังอยู่ในชุดเกราะทองคําอารามเรืองวาววับเรือนร่างนั้นเพรียวระหงเส้นผมดำสนิทราวกับขนกานา้า ปีวุกระจายเล่นลมไปทางเบื้องหลังตัดกับพูสาคลุมลายสีแดงซึ่งโบกสะบัดส่วนอีกหกมาที่ขนาดด้านละสามมาโดยควบตามเยื้องหลังไปเล็กน้อยนั้นอยู่ในชุดของนายทัพระดับขุนศึกสวมเกราะเงินท้าปิดช่วงอกดาริงจ้องตลึงหลอนจำได้ก่อนใครอื่นทั้งสิน้น วิ่งสวนออกไปในทันทีเมื่อม้าที่นำหน้านั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาในระยะอีกเพียงสิบเมตรจะถึงตัวร้องตะโกน ล, ละล่ำละลักอย่างยินดีขีดสุดเมยานีเมยานีานร่างในชุกราทองคำอันปรากฏชัดว่าเป็นสตรีสาววงพักลัคนาปานภาพวาดทั้งหวานทั้งคมกริบ กระโดดลงจากหลังมาแล้วร่างอันสูงสง่านั้นก็วิ่งปราดเข้ามาหาดารินเช่นกันทั้งสองพบกันครึ่งทางแล้วกอดกันแน่นท่ามกลางเสียงร้องแหลมทักทายของดารินอันฟังไม่ได้สับร่างของดารินถูกกอดในลักษณะอุ้มเหมือนเด็กยกลอยขึ้นจากพื้นโดยพลังอันแข็งกล้าแข็งแรงเกินหญิงของอีกฝ่ายหนึง่งพร้อมทั้งเวียงหมุนไปรอบๆเป็นวงกลม นายหญิงนายหญิงของเมยานีเมยานีปราบลื้มปิติใจนักที่ได้เห็นนายหญิงกลับคืนมาอีกครั้งสตรีสาวในชุดอุปราชแห่งมรกตนครตะโกนแหลมกล้องขึ้นเช่นเดียวกันนางได้กอดรั้งเอาร่างของดารินเท้าหลุดลอยจากพื้นและพาเวียงไปหลายรอบแล้วจึงวางลงตรงหน้าพร้อมทั้งริมฝีปากอันล้ายจะรัดไปด้วยรอยยิม้ม เบิกบานเหมือนแสงตะวันยามเช้าต่างฝ่ายต่างกระหืดกระหอบจับแขนกันแน่นจ้องหน้าซึ่งกันและกันแล้วผูเข้ากอดกันไว้แน่นอีกครั้งเชฐาชายันอนุชาบัดนี้ตะลึงงนทุกคนพากันจ้องขมิงไปที่ภาพอันแสดงความสุดแสนจะตื่นเต้นยินดีของทั้งสองสาวแล้วคลางออกมาพร้อมกัน เมนีจริงๆด้วยราชินีแห่งมรกฎนครอีกหกคนของบุรุษที่ขี่ม้าตามมาด้วยขณะนี้ก้าวลงจากหลังม้าพร้อมกันหมดอย่างสุภาพแสดงอาการคารวะอย่างสูงสุดยืนแยกปลายเท้าทั้งสองออกจากกันและกอดอกระวังตรงนิ่อดิธิดาสาวแห่งหัวหน้าขบฏ ขบวนการกู้ชาติในอดีตหรือราชินีแห่งมรกฏนครในปัจจุบันยังไม่ยอมที่จะปล่อยตัวดารินโดยง่ายนางได้จุมพิษแก้มทั้งสองของนายหญิงอย่างเร็วและแรงหนักหน่วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกระเสียงสวนสันสำแดงความโสมันัดขีดสุดที่ได้พบบุคคลที่นางแสนรักและได้ให้ความเคารพเสมอพี่สาวของนางเอง ดารินนัขนขณะนี้ก็ดีใจจนลืมตัวไปหมดกระโดดโลดเต้นจับเนื้อจับตัวเมยานีอยู่เช่นนั้นน้ำตาซึมคลอเบ้าด้วยความปิติตื่นตันเหลือที่จะกล่าวทั้งสองฝ่ายส่งเสียงทักทายกันจนฟังไม่ได้สับและต่างฝ่ายก็ยังไม่อาจจะพูดตอบโต้ตคำถามซึ่งกันและกันได้ขณะต่อมา ท่ามกลางความยืนตะลึงสงบนิ่งของคนอื่นๆทุกคนเมยานีก็จูงมือของดารินเดินตรงเข้ามายังเบื้องหน้าของเชษฐาอนุชาและชัยยันซึ่งพากันยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกอยู่บ่วงหน้าอัน ง, งดงามเฉียบขาดของนางแจ่มกระจางไปด้วยรอยยิ้มขณะที่มองมาอย่างมิรซึ่งมีความรักสนิทผูกพันทางจิตอยู่อย่างลึกซึ้งมาก่อนในอดีต ไปยังบุคคลเหล่านั้นมือยังไม่ปล่อยข้อมือของดารินได้แต่ก้มศีรษะสแสดงอาการคาระวะไปยังเชษฐาอนุชาและชัยยันพร้อมกระเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวาลใสว่ว่าในนามแห่งจักรราชและชาวมรกรนครทุกคนขอต้อนรับอาคันตุ ก, กะจากแดนไกลผู้เป็นมหามิตรอันยิ่งใหญ่อย่างแผ่นดินมรกรนครแห่งนี้ด้วยความปลาปลื้มยินดียิ่ง ทั้งหลายบัดนี้ท่านได้มาอยู่ท่ามกลางมวลมิตรที่เหล่าท่านได้เคยเกื้อหนุนมาก่อนซึ่งยังระลึกถึงพระคุณของพวกท่านเสมอชนิดมิลืมเลือนไปได้เลยสิ่งใดก็ตามที่เคยเป็นข้อวิตกกังวลของเหล่าท่านขอให้สิ้นสุดไปได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเทถาชัยยันและอนุชาพากันยิ้มตอบแต่ให้รู้สึกอึกอักอึกอักยังไงบอกไม่ถูก แล้วทั้งสามก็น้อมกายลงถวายคำนับช้าๆเฉถาเอ่ยขึ้นด้วยอาการสำรวมว่าพวกเราต่างรู้สึกปลาบปลืม้มยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้เข้ามาเฝ้าอยู่แทบเบื้องพระบาทของราชินีแห่งมรกฎนครอีกครั้งไม่คิดมาก่อนเลยว่าพระองค์จะเสด็จมาเองเช่นนี้ขอถวายคาราวะนางอโหหัดปิดโอดแย้มสวนเ บ, บา เนตทั้งคู่เป็นประกายแล้วเอ่ยขึ้นปนสวนร่าเริงว่าพี่ยายพี่กลางแล้วก็พี่ชัยยันขอได้ปลดผู้กเมยานีเหมือนเดิมเถอะเมยานีนะ่ะเป็นราชินีแห่งมรกฎนครแต่ก็เป็นน้องสาวของพวกพี่ๆทุกคนความจริงแล้วนะ่ะเมยานีน่าจะเรียกพี่ทั้งสาว่าเจ้านายซะด้วยซ้ำไปนางกล่าวอย่างสนิทสนมเป็นกันเองเช่นนั้นแล้วก็เดินตรงไปที่พรานเท่านานอิน ผู้สึ่งบัตรนี้ลงนั่งยองๆกับพื้นแต่ก็ถูกก้มลงไปประคองให้ลุกขึ้นมายืนพร้อมกับจับไหล่เหี่ยวบางของแกบีบหนักแน่นทักมาว่าลุงอินดีใจเหลือเกินที่ได้พบกันอีกนี่ลุงยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะส่วนขยินผู้ยืนตัวแข็งอยู่ข้างๆถูกนางคว้าข้อมือไว้หัวเราะด้วยและเจ้าขยินเราไม่เคยลืมเลยนะ ว่าฝีมือดาบของเจ้าในเยี่ยมยอดขนาดไหนเจ้าน่ะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์พักดีน่าสรรเสริญมากที่มากระคณะของนายหญิงอีกครั้งเนี่ยขยิ่งยิ้มกระเรียกกระราดอึกอากอึกอา ก, อ ก, อากตอบยังไงไม่ถูกแมยานีคงยิ้มพรายอยู่เช่นนั้นเดินผ่านไปทางกลุ่มลูกหาบทั้งสิบคนที่ยืนออกันอยู่ในลักษณะอย่างไม่ซางตะลึงงงต่อเหตุการณ์ส่วนพวกเจ้าทุกคนที่มากระเจ้านาย เราขอชมเชยนะว่าล้วนแต่มีความซื่อสัตย์กล้าหาญชาญชัยกันทั้งสิ้นพวกเจ้าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดในมรกรกรครแห่งนี้เสมอญาติเสมอมิตรนายชวนและลูกหาบทั้งหมดคงอ้าปากค้างอยู่เช่นนั้นรู้สึกสันประมาไม่มีใครกล้าพอที่จะปริปากออกมาเช่นไรนอกจากยิ้มแห่ ง, แ, หงและพากันตะลึงมองโฉมอันสคราญ สง่างามของเมยานีเหมือนจะถูกสะกดกันไปหมดนางได้เดินตรวจ ด, ดูคณะลูกหาบและทักทายไปทั่วจนทุกคนแล้วก็หันมาทางนายทหารระดับขุนทัพที่ยืนเรียงรายระวังตรงอยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งออกเสียงบัญชามาว่าสุกรียุสถิบวิกรมอ่ะออกมาแสดงความคารวะต่อเจ้านายเก่าของพวกเราเดี๋ยวนี้สามทหารใหญ่ไหวกายพรึ่ แล้วก้าวล้ำหน้าออกมาพร้อมด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มตรงเข้ามาก้มศีรษะคำนับกลุ่มของเชษฐาเรียงตัวไปตามลำดับทั้งหมดเพิ่งจะมีเวลาได้สังเกตเห็นและจำได้เอาเดี๋ยวนี้เพราะเคยรู้จักคุณหน้ามาก่อนทั้งสิ้นคนเหล่านี้ได้เคยร่วมทำศึกกับรหัสยะและสิงหราเมื่อคราวสงครามกู้ราชบัลังในครั้งนั้นเชษฐาชยยัน และอนุชาต่างกรากเข้ามาจับแขนทักทายขุนศึกทั้งสามโดยทั่วหน้าอย่างดีใจและสนิทสนมยิ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปิติสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าของแผ่นดินหรือฝ่ายของอาคันตุ ก, กะผู้เดินทางมาจากแดนไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายันถึงกับโดดเข้ากอดคอสุกรีซึ่งอดีตก็คือหัวหน้าหน่วยรบกองโจร อันทาการต่อต้านกับฝ่ายของกษัตริย์สิงหราและร่วมทำศึกกับคณะของพวกเขามาโดยตลอดอย่างแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทั้งสามมีสีหน้าพรายไปด้วยรอยยิ้มและตอบรับการกล่าวปราศัยทักทายด้วยอาการอันคาระวะอ่อนน้อมเหมือนเดิมพวกเราเชาวมรกตนครทั้งหมดปลาปลืม้มยินดีที่สุด ที่ได้เห็นพวกท่านในแผ่นดินของเราอีกครั้งสุกรีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกพร้อมกับอาการหัวเราะเบาๆขณะที่มองกวาาไปยังคณะของอาคันตุกะต่างแดนทั้งหมดเหมือนจะสำรวจทั่วทุกคนแล้วยังไงไมายังไงกันเนี่ยพวกเราพอพโผล่ขึ้นมาบนถนนประสิวะได้สำเร็จกำลังจะมองหาชาวมรกรนครสักคนที่อยู่ในละแวกนี้ ก็ได้ยินเสียงฝีท้ามาของพวกท่านแล้วก็เห็นกองทัพมาพโผล่ออกมาล้อมไว้แทบจะรอบด้านเลยเฉิาถามมาโดยเร็วสามขุนทัพพากันยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าไม่มีใครตอบคำใดในขณะนั้นแต่ปลายหางตาไปทางนางพญาเมยานีผู้ขณะนี้กำลังยืนแย้มสวนเริงร่าและพูดอะไรกันอยู่กับดารินฟังไม่ได้สับอยู่เมื่ออนุชาร้องเรียกไปทางดารินเมื่อนั้น น้องสาวคนเล็กจิงจูมือราชินีแห่งมรกฎนครพากันเดินเข้ามาหานี่ดีใจซะจนต่างฝ่ายตามพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะพี่ใหญ่ดารินเอ่ยขึ้นปนหัวเราะหอบๆ ห, หน้าแดงกำ่ำทางด้านนี้ก็เหมือนกันเรายังไม่สามารถที่จะถามอะไรสุกรียุทธสถหรือวิกรมได้เลยคือถามแล้วก็ทั้งสามก็ไดแต่ยิ้มมาก็ยิ้มไปแต่ไม่ยอมตอบอะไร พี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นด้วยอาการหัวเราะเช่นกันถางนั้นก็ขอฝ่ายของเมยานีถามก่อนได้ไหมคะในายใหญ่ราชินีผู้เลอทั้งโฉมเลิศทั้งฝีมือรกแห่งมรกฎนครเอ่ยขึ้นด้วยเสียงใสจงเรียกพี่ว่าพี่ใหญ่สิถ้าเธอต้องการให้พี่มีความรู้สึกสนิทใจยอยู่เหมือนเดิมอ่ะอันหมายถึงมรกฎนครต้อนรับพวกของพี่อย่างเดิมด้วย นั่งเงียนพักขึ้นสวนสะบัดเส้นเกษาแล้วเอ่ยต่อมาว่าค่ะพี่ใหญ่ขอแมยานิถามก่อนได้ไหมคะสั้นๆไม่กี่คำถามเท่านั้นแหละได้เธอจะถามอะไรบ้างล่ะเชษฐากล่าวมายิมยิมน้ำเสียงอ่อนโยนสุภาพก็อยากจะถามว่าพวกพี่ใหญ่มากันทั้งหมดสิบหคนเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนี่อยู่กันครบถ้วนไหมคะเนี่ย ก็มากันแค่นี้แหละแล้วก็ครบถ้วนหมดทุกคนไม่มีใครล้มหายตายจากบุกบันฟันฝ่ากันมายังไม่มีความหวังอะไรทั้งนั้นแหละจนกระทั่งในที่สุดก็ได้รับความเมตตาจากมหาฤาษีโกนธัญญะและไมตรีจิตของวายากับไพร่พลลิงของเขาช่วยนําพวกพี่มาส่งจนถึงแดนของเมญานีนี่แหละท่านหัวหน้าคณะสรุปให้ฟังสั้นๆเหมือนจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึง่งอยากจะถามเช่นไรบ้างแล้วเลิกคิ้วขึ้น เหมือนจะเตือนให้ถามต่อถ้ายังอยากจะทราบอะไรอีกอืมทุกคนสูบซี่ผายผอมแล้วก็ดูจะอิดโรยหนักกันเหลือเกินนะคะนั่งเอ่ยเหมือนจะเปรยมองสำรวจไปอย่างแต่ละบุคคลแต่ก็ยังสง่างามสมชาตินักสู้ผู้ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็คือลุงอินแล้วก็เคยินส่วนนายหญิงอะ่ะดวงตา ม, มีประกายเศร้าลึก เปลี่ยมไปด้วยทุกข์กังวลสาหัสนักแม้จะยิ้มหรือหัวเราะ อ, อยู่กับเมยานีในขณะนี้ก็ตามสำหรับพี่ใหญ่ก็ยังหนักแน่นเยือกเย็นอยู่เหมือนเดิมพี่กลางนักเคร่งขรึมกว่าสมัยที่ตกเป็นนักโทษของสิงหราซะอีกแล้วก็พี่ชัยยันเมยานีเอ่ยถึงเป็นคนล่าสุดพร้อมกระหันไปสบตาพลางถามขึ้นด้วยอาการซ่อนยิ้มว่าเอ๊มาครั้งนี้ เอานานแหม่มไปไว้เสะที่ไหนเนี่ยพี่สาวที่มีผมสีทองของเมญีไม่ได้มาด้วยหรอกหรือคะชัยยันหัวเราะเบาๆพี่สาวผมสีทองของเมญีขณะนี้กำลังเป็นแม่ของเด็กเล็กๆไม่ได้มาด้วยหรอกนี่ทำไมติดขัดเรื่องคลอดลูกก็คงจะมาด้วยแล้วละ่ะเลดงามคู่นั้นเบิกโตขึ้นริมโอ๊ดเพรื้กว้างโอ้สิวัฒเทพ ใช่แล้วสิคะเธอตั้งคันอ่อนๆขณะที่เดินทางออกจากมรกรกนครไปเอ๊นี่ผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะคะลูกของพี่ชยยันน่ะผู้ชายสมบูรณ์น่ารักดีมากเห็นเพียงแค่วันเดียวท่านันแหละก็ออกเดินทางมานีเลยสุขภาพของเด็กและแม่ก็สมบูรณ์ดีมาเรียเขาเป็นคนสั่งให้พี่ออกเดินทางมากับพวกเราในครั้งนี้ทั้งๆ ท, ที่พวกเราทั้งหมดก็พยายามคัดค้านไม่ให้พี่มาด้วย แต่พี่ต้องมาถูกต้องค่ะพี่ต้องมาเพราะพี่เป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนนี่ค่ะนางกล่าวเสียงหนักๆในลำคอเอาละเห็นจะหมดคำถามสำหรับเมายานีแค่นี้ก่อนคราวนี้ทางฝ่ายท่านผู้ย้อนกลับมายืนมีคำถามอะไรบ้างเชิญค่ะแต่บอกก่อนนะคำตอบไหนที่จำเป็นจะต้องสงวนไว้ก่อนก็จะยังไม่ตอบ กล่าวจบและมีอาการเหมือนจะยังไม่สนใจกับอะไรก่อนทั้งสิ้นมียานีหันไปทางขุนศึกผู้หนึ่งบัญชาว่าอ่ะวิกรมให้สัญญาณทหารทั้งหมดเคลื่อนลงมาได้แล้วเดี๋ยวนี้สิ้นกระแสสั่งขุนศึกหนึ่งในจำนวนสามที่ยืนเรียงรายกันอยู่ก็ก้าวล้ำโดดเด่นออกไปจากกลุ่มชูหอกในมือขึ้นโบกไปมา เป็นสัญญาณยังกองทหารมาที่ยืนเรียงรายอยู่บนขอบเนินทั้งสองด้านและเมื่อ น, นั้นเองม้าทั้งหมดที่ยืนเป็นทิวอยู่ก็เริ่มเคลื่อนลงมาในทันทีเห็นเป็นริ้วขบวนเต็มทุ่งไปหมดนับจํานวนไม่ท้วนมากมายเกินกว่าที่มองเห็นผ่าดๆในครั้งแรกซะอีกอะเมย์านีต่อไปก็เป็นคําถามของฝ่ายเราบ้างแล้วนะอนุชาวราฤทธ์เอ่ยขึ้น พร้อมกับเอื้อมมือมีอาการเหมือนจะแตะต้นแขนของนางซึ่งขณะนี้ยืนหันหลังให้แต่ดารินผู้ยืนอยู่ใกล้รีบยกมือขึ้นกั้น่ามือของพี่ชายกลางไว้ซะก่อนพร้อมกับบอกเสียงต่ําๆเป็นเชิงเตือนว่าอย่าคะพี่กลางอย่าแตะต้องวรากายของราชินีแห่งมรกฎนครนะคะพี่กลางเป็นผู้ชายนะคะโ อ, โอ้โอ้ขอโทษขอโทษเผลอไปจริงๆ อนุชาอุทานออกมาอย่างรู้สึกตัวเมยานีหันกลับมาอมยิ้มแล้วเป็นขวายคว้าเอาข้อมือของอดีตฟารชดมากุมไว้อย่างสนิทสนมโธไม่มีจารีตประเพณีอะไรสำหรับพวกพี่ๆทั้งหมดหรอกคา่ะและถ้าแม้จักรราปรทับอยู่ที่นี่ น, นับบัดนี้พระองค์ก็คงจะรับสั่งเช่นนี้เหมือนกันตอนนี้เมยานีก็กำลังรอฟังคาถามของพี่อยู่นะอนุชาชี้มือไปทางกองทหารมา ที่กำลังเคลื่อนตรงเข้ามาโดยรอบเหล่านั้นแทนคาถามประโยคแรกนางสวนน้อยน้อยนั่นคือกองพลทหารมารักษาพระองค์ของจักรราี่มีเยเมยานีเป็นผู้บังคับการไงคะเรารับองค์การประกาศสิทธิ์ของพระองค์ให้มาคอยต้อนรับคณะอาคันตุกะผู้เคยมีพระคุณเพื่อเชิญเข้าสู่มหานครค่ะ ว่าจักรราชขณะนี้ทรงทราบแล้วสิว่าพวกเราได้เหยียบเข้ามาถึงดินแดนนี้งั้นเหรออดีตพรานชดถามต่อมาโดยเร็วขมวดคิว้วไม่มีอะไรที่จักรราชจะไม่ทรงทราบเกี่ยวกับการเดินทางมาของพวกท่านทั้งหลายหรอกคะ่ะอ่ะแล้วขณะนี้จักรราชประทับอยู่ที่ไหนละเนี่ยเชตฐาชยันและดารินถามขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ไม่ได้เสด็จมาด้วยค่ะนางซ่อนยิ้มตอบไม่ตรงคำถามแงาซายอยู่ไหนเมายานีดารินจ้องหน้าขม็งเน้นถามเสียงช้าๆอย่างคาดคันใบหน้านั้นวางเฉยแต่ดวงตามีรอยยิ้มตอบมาว่าเมื่อถึงพระนครแล้วจะได้เห็นเองค่ะว่าแงาซายอยู่ที่ไหน และตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทุกคนอึง้งงุนงงในคำตอบนั้นอนุชาขยับปากแต่เชษฐายกมือขึ้นห้ามยังยังไม่ต้องคาดคันเมยานีเมยานีก็บอกกับเราไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนี่ว่าบางคำถามเราอาจยังไม่ได้รับคำตอบในทันทีเพราะเป็นคำตอบที่ต้องสงวนไว้ก่อนเมยานีหันมาก้มเสียงให้นิดนึงใช่คะ่ะ พี่ใหญ่เข้าใจได้ถูกต้องแล้วค่ะดารินเอียงคอมองดูราชินีแห่งมรกฎนครและยกมือขึ้นลูกเข้าหากันเบาๆพลางเอ่ยขึ้นว่าอืมฉันตั้งคำถามเธอเองดีกว่ากระมังแม่สาวน้อยแม่ยานีหัวเราะอย่างรู้ทันก้าวออกก้าวถอยออกไปหนึ่งก้าวก็เหมือนกันแล้ะค่ะนายหญิง ถ้าเมยานีตอบได้ก็จะตอบแต่สิ่งใดที่จักรราษทรงให้สงวนไว้ก่อนต่อให้ในายหญิงเค้นคอเมยานีให้ตายเมยานีก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวนี้หรอกคะ่ะนี่นี่เธอกาลังจะทำให้ฉันต้องเข้นคอเธอจริงๆนะเนี่ยนายหญิงเค้นคอเมยานีก็เห็นจะต้องยอมแต่ถ้าขัดองค์การประกาศิสร็จของจอมกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิต โทษของเมยานีน่ะอาจถึงขัน้นศีรษะขาดนะคะคำตอบนั้นมีแววสัพยอกลอเลียนอ่ะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล้วยะว่าอะไรบ้างที่เธอได้รับอนุญาตให้ตอบหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบโถคนยิ่งกำลังร้อนใจอยู่และที่เดินทางมาถึงนี่นะมันแสนเหนื่อยนาะจะบอกให้ดารินร้องออกมาอย่างถอนชิว โถพี่สาวพี่สาวก็อย่ากโกรธเมายานีสิคะเสียงของนางออดอ่อยทำหน้าม้อยแต่ก็ยังยิ้มอยู่เฉษฐารีบดึงตัวน้องสาวให้พระห่างเมายานีออกมาโดยเร็วตนเองก้าวเข้าไปยืนประจันหน้าอยู่แทนที่เมายานีพี่รู้นะว่าอะไรที่เธอพอจะตอบได้เดี๋ยวนี้แล้วอะไรที่เธออยากจะให้เราได้เห็นเอง เอาะให้พี่ถามดีกว่าว่าและเจ้าสังปาคนของเราที่จักรราชทรงขอไว้ให้อยู่ที่นี่แหละยังอยู่ดีหรือว่าเขาเป็นยังไงไปบ้างสางปานะี่ยยังอยู่ปกติดีค่ะเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจําราชสํานักและจักรราชก็ทรงให้ความเมตตาปราณีเลี้ยงดูใกล้ชิดตลอดสมกับที่ได้ให้คํามั่นสัญญาไว้กันในแหม่มมารีทุก ป, ประการค่ะ เออแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะไม่ได้มากระกองทหารนี่ด้วยเหรอพี่ใหญ่ของคณะถามมาเรียบเรียบในลักษณะชวนคุยมากกว่าที่จะตั้งใจคาดคันอะไรในขณะที่ทุกคนของฝ่ายเขารวมทั้งดารินกําลังตั้งใจฟังคําตอบโต้อยู่สางป่าไม่ได้มาด้วยกระกองทัพนี้หรอกคะ่ะเขาอยู่ในราชสํานักกําลังรอคอยพวกท่านทุกคนอยู่ ท่นที่สังปารู้ด้วยเหรอว่าพวกเราจะมาถึงอะ่ะค่ะในบรรดาเหล่าราชมนตรีชั้นสูงของมรกนครไม่ว่าจะฝ่ายทาหารหรือฝ่ายพลเรือนก็ล่วงรู้กันหมดทั้งสิ้นละค่ะถึงกาหนดวันเวลาที่พวกของท่านทั้งหลายจะเหยียบย่างเข้าถึงดินแดนนี้แล้วขนาดนี้เราก็กำลังเตรียมฉลองต้อนรับอยู่นะคะเชิดถาพยักหน้าช้าอืม แล้วมรกรนครรู้ได้ยังไงว่าพวกเราจะมาถึงที่นี่ข้อนี้คงจะต้องเก็บไว้ถามจักรราชเองดีกว่าละมั้งคะเมื่อพวกท่านได้พบกับพระองค์แล้วเออแล้วรู้ด้วยหรือว่าพวกเรามาที่นี่เนี่ยมาเพราะอะไรนางยิ้มน้อยๆอีกครั้งปลายหางตาไปทางดารินผู้จ้องขม็งรอคําตอบอยู่ ถึงจะรู้ก็มีประกาศสิทธิ์มาว่าไม่ให้พวกเราคนใดเอ่ยถึงในเวลานี้ค่ะท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าอีกครั้งยิ้มออกมาอย่างเท่าทันทำใหน้นางพลอยกลั้นหัวเราะบรรยากาศณที่นั้นกลายเป็นความแจ่มใสและเปี่ยมไปด้วยความหวังอีกครั้งเออนิอยากจะรู้จังเลย มีอากาศยานโลหะของชาวโลกภายนอกอยู่ลำหนึ่งมาอัปางตกหล่นอยู่ในอาณาเขตของมรกรมาครบ้างไหมเนี่ยเทถาถามต่อไปอย่างไม่เคร่งเครียดจริงจังอะไรนะเมยานีนิ่งพยายามวางหน้าเฉยสนิททุกสายตาของอาคันตุ ก, กะจากแดนไกลขณะนี้จ้องเขมงมาที่นางเป็นตาเดียว